ทีนี้ในบรรดาจิตที่สืบเนื่องไปอย่างเนี้ยนะจะต้องออกด้วยโคตรภูจิตวุฒานะเนี่ยนะถ้าจะออกได้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องเป็นโคตรภูจิตเพราะันภาวะที่จิตออกเนี่ยหมายถึงโคตรภูจิตและมัคคจิตนะจิตความออกแห่งจิตนะจิตที่ออกจากสังขารธรรมทั้งปวงนี่ต้องเป็นอะไรโคตรภูจิตโคตรภูจิตนี่ออกจากสังขารโดยอารมณ์มัคคจิตนี่ออกโดยอะไร มัคคิจิตเนี่ยนะมัคคจิตก็ออกทั้งสองอย่างออกทั้งนิมิตกับปวัตตาเพรา ะ, ะนั้นวุฒิฐานะเนี่ยออกออกโดยส่วนสองคือออกด้วยโคตรภูกับมัคคจิตนั้นโคตรภูจิตกับมัคคจิตนี่จึงเป็นจิตที่ออกอย่างแท้จริงจิตที่เหลือโดยมากเข้านะภาวะที่หลีกไปแห่งจิตอันนี้ก็หมายถึงสลัดออกไปในนิพพานเนี่ยนะวิวัตนาเนี่ยนะก็คือจิตที่สลัดจากสังขารธรรมโดยที่มี พระนิพานเป็นอารมณ์ภาวะเอา่าคือคือถ้าสีสีคำนะจิตรู้แจ้งอันนี้ธรรมชาติของจิตใช่ไหมจิตรู้แจ้งเหล่านี้สืบเนื่องไปแล้วว่าจิตนี่ออกแล้วก็หลีดได้อย่างแท้จริงโดยที่จิตมีนิพานเป็นอารมณ์แต่ทีนี้จิตเหล่านั้นก็เกิดด้วยเหตุตุปั จ, จใช่ไหมในปัจจัยยี่สบสี่พระองค์แสดงเหตุตุปั จ, จก่อนเพราะฉะนั้นรากของจิตนี่เหตุเก้ากุศลเหตุสาม อกุศลเหตุสามและอัพยากะตะเหตุสามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตนี่มันมีรากของมันนัไม่หน้ามันจึงมั่นคงน่าดูเลยนะอยู่ได้เพราะมันมีรากรากคือโลภะโทสะโมหะอโะโลภะอโทสะโมหะเป็นรากของจิตเนี่ยนะด้วยอำนาจเหตุตัปัจจัยทีนี้ธรรมชาติที่เป็นปัจจัยของจิตหมายคาอว่าจิตนี้ต้องอาศัยวัตถุเกิดอาศัยอารมณ์เกิดอาศัยทวารอาศัยวิถีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะ ความเป็นปัจจัยแห่งจิตจิตนี้อาศัยทั้งอะไรวัตถุวิญญาณอารมณ์และสัมปยุต ธ, ธรรมเนี่ยนะฉั้นความเป็นปัจจัยแห่งจิตเนี่ยถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นจักรครูวิญญาณจิตเนี่ยจักรครูวิญญาณนี่อาศัยปัจจัยอะไรอยู่บ้างอันนะเช่นอันแรกก่อนนะอาศัยจักรคู ก, กับรูปของตัวเนี่ยนะเกิดอะไรจักรครูวิญญาณเนี่ยนะสองกลุ่มแล้วใช่ไหย แล้วก็บวกเจตสิกที่ประกอบเจ็ดนันนี่ 1, 2, 3หนึ่งสองสามต้องมีอวัชนะด้วยไหมจกักขุทวาราวัชนะเป็นปัใจจัยใช่ไหมกลุ่มที่สี่ถ้าแสงไม่พอมาเสริมสีนะถ้าไม่มีแสงไม่มีแสงก็ไม่ได้ต้องมีแสงสว่างแสงพวกนี้ก็เป็นปัจจัยกลุ่มที่ห้าแล้วก็ยังมีอะไรอีกกรร ม, มปัจจัย เป็นนานักขัคินิกกรรมปัจจัยผวัง่ะจิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะเป็นอาศัยปัจจัยเชื่อมอยู่เจ็ดกลุ่มทีนี้เมื่อปัจจัยเหล่านี้ก็มาไล่ไปอเมื่อจักขูเป็นปัจจัยเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างสีเป็นปัจจัยปัจจัยอะไรอันนสัมปยุตธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรอาวชนะตัวนี้เป็นปัจจัยอะไรแสงเป็นปัจจัยอะไรผวังเป็นต้นเป็นปัจจัยอะไร อาวัชนะเป็นปัจจัยอะไรก็มาวิเคราะห์นี่ก็จะเห็นว่าจิตนี่มันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทีนี้ธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะใช่ไหมผัสสะผัสสะบางอย่างนะแล้วแต่สีถ้าสีเป็นอิทธารมก็เป็นผัสสะที่เป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาถ้าเป็นอนิถารมก็เป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาถ้าเป็นมัชฌัตตารมก็เป็นปัจจัยแก่ ทุกขมสศขเวทนาก็ได้เวทนาสามนะแล้วเวทนาเนี่ยทุกเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัญหาแต่ละตัญหาก็แบ่งเป็นสามกลุ่มกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาแต่ละปัญหาก็แบ่งออกเป็นปัจจัยแก่อุปาทานสี่กามอุปาทาน ทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานสีละพัตตุปาทานอัตวาทุปาทา น, าาานคิดดูว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วนะอะไรจะตามมาอีกบานเพราะฉะนั้นโลกของจิตเวลาการเห็นหนึ่งครั้งอย่าไปดูถูกนะจะไปดูถูกว่าจะไม่ตามมาด้วยเวทนาจะไม่ตามมาด้วยตัณหาจะไม่ตามด้วยอุปาทานนี้กามุปาทานอันเดียวเนี้เป็นปัจจัยแก่กามะพบรูปะพบอารูปะพบ แล้วพบเป็นปัจจัยกับอะไรการมาพบเป็นปัจจัยกับเกิดในคันเกิดในใครเกิดในเท่าใครายโอปปาติกะเมื่อเกิดอย่างเงี้ยจะได้กี่ทวารก็ว่าไวะะปว่าตาก็ยาวเมื่อไหร่มันจะจบกันเนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ตามเห็นจากขู่้วยความเป็นของไม่เที่ยงพอจะดับได้แต่ถ้าดูไปแล้วมันเบื่อมันเองอะนะมีไหมดูมาตั้งนานไม่เห็นเบื่อเลยนะกระดูก องกว่าโตกับาภูเขาเวปุระยังไม่เบื่อเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เบื่อเพราะว่าดูไปเรื่อยๆแล้วใช้จิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็สุดเองอ่ะนะเหมือนกับเหมือนอะไรนะไทยเคยเคยถักถักอะไรนะใช้ไหมพรมมาถักอ่ะนะแล้วก็คลี่ไปเดี๋ยวมันก็สุดมันคนเดียวเองสุดไหมไม่มีสุดมันก็เป็นไปเรื่อยอย่างนั้นแหละมันไม่มีที่สุดหรอกธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ เมื่อจิตมันเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยแล้วมันก็ยังเป็นปัจจัยกับอย่างอื่นต่อไปอีกเยอะแยะฉั้นวัตตาสงสารเนี่ยมันพิสดารอย่างนี้แหละเออถ้าผู้ที่รอบรู้ลักษณะนี่นะถามว่าเขาจะเชื่อขันท่าไหมนะฝากความหวังไว้กับขันท่าเนี่ยเขาจะทําใจอย่างนั้นไหมถ้าถ้ารอบรู้เหตุปัจจัยอย่างดีของขันท่าเนี่ยนะฉะนั้นท่งยังบอกว่าเมื่อรู้เห็นก็เขาบอกว่าหลุดพ้นพ่อรู้โดยชอบ นันผู้ที่รู้โดยชอบเนี่ยมีทางเดียวออกอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แล้วครบเชื่อมากไม่ได้นะเนี่ยสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอดสภาวะที่เป็นที่ตั้งแห่งจิตจิตนี้ธรรมชาติที่ต้องอาศัยวัตถุเกิดใช่ไหมอาศัยวัตถุเป็นที่เกิดน่นนะวัตถุก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะจากโควะทุบ้างโสตวัตถุบ้างม า, าไล่ไปเรื่อย แล้วก็สภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิตแล้วก็ยังมาแบ่งเป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิมารูปาวจรภูมิ a, แล้วก็โลกุตรภูมิน wow. ะนนั้นก็แบ่งไปตามถิ่นที่เกิดอันนะเกิดในถิ่นไหนเกิดที่ใดเกิดเมื่อใดแล้วก็สภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิตนี่นะอารมณ์ก็ต้องอาศัยอารมณ์หกใช่ไหมอารมณ์สภาวะเป็นที่โคจรแห่งจิตโคจรก็คือสันจรอ่นนะมันเที่ยวไปที่ไหน จิตมันจรวนไปที่ไหนมันก็ไปด้วยจรวนไปทางทวาวรต่างๆเลยนะและวาวรเดียวนะใช้จิตเปลืองมากเลยน ะ, ะเทียบไปแล้วใช้จิตเปลืองมากเลยแต่ละทวาวรแต่ละทวาวรแล้วก็ที่เป็นที่เที่ยวไปแห่งจิตท่านอธิบายว่าหรือสภาพที่ปรากฏแห่งประโยค่าเนี่ยนะบางทีก็ที่เที่ยวก็จิตก็คืออารมณ์หกใช่ไหมบางทีมันจิตมันก็ต้องมีประโยค่ามนะัจิตบางอย่างเป็นกายประโยคะ จิตบางอย่าทําให้เกิดวดจีประโยคก า, ายะประโยคคือวจีกายะวิญยัตวจีประโยคคือวจีวิญยัตเนี่ยนะมโนปโยคก็ไม่ทําวิญยัตสัอย่างนะนะเรียกว่ามโนประโยคก็เป็นประโยคไปด้วยจริยะแปละว่าเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยเนี่ยนะเที่ยวไปกายบ้างวาจาบาั้งใจบ้างมันทาเท้าสับไปบ้างเดินแล้วเดินเล่าะอยู่นั่นนะพูดแล้วเนี่ยอย่างออกมาพูดเนี่ยโอ้ใช้จิตเปลืองมากหมดจิตไปเยอะแยะเลยเนี่ยเที่ยวไปด้วยวจีประโยคเนี่ย ของเราก็โยมก็เที่ยวไปทางทวารหูมโนประโยคะเขียนก็วู๊นะค่าจิตอยู่นั่นแหะ น, นะเกี่ยวข้องกับจิตอยู่นั่นแหะทีนี้ภาวะที่ไปแห่งจิตจิตนั้นไปไหนก็ดูนะนั่งอยู่ในห้องเรียนธรรมะเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้เลยใช่ไหมไม่ไปไหนนะบางทีนะวางแผนเนี่ยเตรียมจะสองโมงแล้ววางออกนอกห้องแล้วเหมอนกันนะนะในเวลาเลิกมนันคิดไปไกลห้องไปอีกนะที่คิดเผื่อพรุ่งนี้ ปรือนี้อาทิตย์หน้าโอ้แต่ยาวมากอะนะไปบางทีโน่นอะไปถึงต่างประเทศแล้เนี่ยนะบางคนนี่ไปจนได้กลับมาแล้วเนี่ยนะไปเรื่อยไปกลับนะนะอะไรว่าสาภาวะที่ไปแห่งจิตเนี่ยนะดีไม่ดีมันไปพูดง่ายๆมันไปสร้างทบสร้างชาติไปโผลทุกแห่งมันนะจิตนั้นพาไปอย่างนี้แหละมันอย่าไปเชื่อพยาจิตตราดมากนะพราะว่าไปนะสิ่งที่ควบไม่ได้เนี่ยความลวงเนี่คือจิตนี่มันลวงจริงๆอ่ะเนะี่มันน่าข่าจริงๆอ่ะนะถ้าดูในอะไรนะในสูตร ที่พระองค์กลับที่เมืองกรุอ่ะเนี่ยกรุมาคันธยะสูตรเนี่ยนะบอกว่าถูกจิตลวงมานานแล้วเนี่ยนะเพราะมันน้าฆ่าจริงๆอ่ะนะถูกจิตลวงไปด้วยจิต บ, บอกว่าที่นั่นดีนะหน่าไปอ่ะไปอแล้วทําไมไม่อยู่แค่ว่าดีไม่ใช่เหรอบอกก็คือมันดีแบบพอได้เห็นก็พอแล้วไม่ได้ดีแบบจะอยู่อย่างนั้นนะมันก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะกลับเถอะเนี่ยนั่งไปอแล้วไหนก็กลับแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปอีกเนี่ยนะอยู่ที่นี่มันนานไม่จับปายะมัไปมพาไ ป, าไปได้วยตะขะโตเนี่ยจิตมันพาไปได้วแล้วจิตมันใช้มหาพูดเปลืองมากทีนี้ธรรมชาติแห่งจิตที่นำไปยิ่งอภินิหารอภินิหารถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็หมายว่าความปรารถนาแห่งจิตอย่างเช่น พระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งความปรารถนาะมาตั้งกับเมื่อไหร่เป็นพระพุทธเจ้านะก็ได้เอาพินิหารเหมือนกันนะอภพินิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตั้งความปรารถนาะต้องประชุมด้วยองค์แปดใช่ไหมมนุ์สตังลิงคสัมปติเหตุสัพธารัทสนางเนี่ยนะการเป็นมนุษย์พบเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นนักบวชได้อภิญญาหา้ามีเหตุแห่งอรหัตผลพบพระพบุทธเจ้าบุถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้ามีฉันทาในโพธิญาณอย่างแรงกล้าแล้วก็ อภินิหารองค์ประชุมด้วยองแปดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงสําเร็จดังนั้นอภินิหารถ้าเป็นนัยยะที่อื่นก็คือการตั้งความปร า, ารถนาเอาไว้ตั้งความปรารถนาอภินิหารตั้งความปรารถนาอย่างเช่นผู้ที่บรรลุมรรคผลนะคือจิตกอนุอดีตเขาตั้งความปรารถนาเพื่อจะออกมาแลว้วตั้งความปรารถนาเพื่อนิพานมาแลว้วอย่างของเราเนะีตอนนี้เราเรียนธรรมาก็ตั้งความปรารถนานิพานอยู่ทุกครั้งที่เรียนอยงก็แสดงว่าจิตเราเนี่ยมันจะเป็นอภินิหารต่อไป เป็นอภิเนหารทาให้อภิเิหารถ้าบางแห่งออกมูลปณิธานก็คือการตั้งความปรารถนานั่นเองมันก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะพ้นจากวัฏะก็อาศัยจิตนี่แหละปรารถนาไปก่อนทีนี้ถ้าจิตมีมีอภิเิหารตั้งความปรารถนาจนมาเจริญสมถาววิปัสสนาก็จิตสามารถที่จะออกได้จิตออกนิยานิกะเป็นจิตที่ออกจากวตะใช่ไหมจิตที่ออกจากวตะแห่งมรรคจิต มันจิตก็เลยออกจากวัฏฏะเลยนะเมื่อมีการตั้งความปรารถนาแล้วก็สภาพที่สลัดออกจากจิตตัวที่สลัดออกจากจิตนั้นหมายถึงสลัดออกจากนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยนะสลัดออกจากกา ร, รมฉันทานิวรณ์พยาปาท่านิวรณ์ทีนะมิท่านิวรณ์เป็นต้นอันสภาพที่สลัดออกแห่งจิตก็คือออกจากนิวรณ์เป็นต้นนั่นเองซึ่งอาการออกจากนิวรณ์เนี่ยนะดูหน้าสามสิบสี่น่นจะเห็นชัด ออกจากนิวรณ์ด้วยเนคขมมะออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทาออกจากผีนามิธะด้วยอโลกะสัญญาออกจากความฟุ้งซ่านด้วยความไม่ฟุ้งซ่านออกจากความออกจากวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมออกจากอวิชชาด้วยญาณออกจากอารติด้วยปราโมทนี่นะมันก็ออกอย่างนี้แหละนั้นคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องออกของจิตนะสภาพที่จิตมันสลัดออกไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงจิตมันสลัดออกนี้เหมือนกับอะไรนะเคยลอกหัวหอมไหม เขาค่อยปอกไปเรื่อยเขาค่อยลอกลอกลอกลอ ก, ลอกไปเรื่อยลอกอยู่สามสิบเจ็ดชั้นอ่ะนะสลักออกอยู่สาสิบเจ็ดชั้นอ่ะนะลอกไปเรื่อยแสดงว่ามันต้องกระเทาะมากจริงๆเลยนะมันจึงจะหลุดจากวาตัตถานนี่แสดงว่าหนามากเ <c oughs> นะคลือบไว้อย่างอย่างดีเลยนะยยิ่งว่าเคลือบอะไรที่มันทนหอิดนะทนจริงๆนะเคลือบให้อยู่ในวัตถานะ เคลือบจิตไม่พอนะั้นมันเคลือบตัวเองด้วยนะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเคลือบตัวเองตลอดนะต้องหาเหล็กหาอะไรมาหุ้มนะอยู่ในห้องนี้ก็ต้องมีหลังคามีฟ้ามีพื้นมีอะไรมาหุ้มนะเคลือบไปเรื่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ก็จนกว่าจะสลัดออกจากสังขารธรรมทั้งปวงได้นี่พวกนี้ก็ในในข้อสามสิบแปดนี้ก็เป็นการทําปริญญาในเรื่องจิตอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็คือการแสดงจิตทั้งตีเป็นโลกิยะและโลกุตระนั่นเอง ันเห็นความเป็นไปของจิตที่เรียกว่าสแสดงแต่สภาวะธรรมล้วนๆเพราะนั้ น, นธรรมะประเภทนี้ถามว่าใครนั่งอ่านอย่างมีความสุขนะขอมาบอกทําทบุญอะไรกันมาเนาอเ่็นไะหมสมัยก่อนเนี่ยอุ้ยอ่านอะไรไม่มีง่วงเท่าอ่านตรงนี้หรอกง่วงจริงๆเลยนะทีหน้ามิธาเอาไปกินหมดนั่นก็เพราะเนี่ยถ้าใครเรียนธรรมะแต่สภาวะล้วนๆเนี่ยปฏิสามพิธาเนี่ยทางไง ทุติยาภาพนวาระเนี่ยพวกนี้สภาวะรุ่นๆเลยนะไม่ต้องมีอะไรทั้งนังไม่ต้องอธิบายเยอะๆด้วยรับข้าใครศรัทธาแนวนี้ก็ช <c oughs> เชิญเป็นการพูดแต่สภาวะรุ่นๆเลนไม่ต้องอธิบายเอาแต่เนี่ยสภาวะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นะตัวเช่นจิตเนี่ยนะเนี่ยสภาวะคือจิตอ่ะจิตเป็นอนันตตะอย่างเงี้ยจิตมันออกจิตมันวิวัตนะเนี่ยมันพลิกกลับอย่างเงี้ยนะหรือว่าจิตมันเป็นเหตุมันอาศัยเหตุอย่างเงี้ยนะ ฟังแล้วก็ไม่รู้มอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดีว่าเรียนอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะฟังอย่างนี้ฟัอ ย, อย่างชั่วมานนะทำมาได้ฟังอย่างอื่นมามากๆแล้วก็เออเอามาชมโยมก็ทำบุญอะไรกันมานะนั่งฟังได้ <c oughs> ไหนนะ <c oughs> พวกนี้เป็นทั้งหมดเลยนะเป็นการยกสภาวะธรรมมาแสดงตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความสมมติว่า พูดแต่จิตอย่างเดียววะนะยกแต่สภาวะจิตอย่างเดียวตั้งแต่จิตธรรมดาจิตระดับสูงจนถึงจิตที่เป็นมรรคจิตผลจิตนะที่สุดของจิตเนี่ยมันเป็นยังไงเรียกว่ายกสภาวะจิตขึ้นมาแสดงทั้งหมดเนี่ยนะว่าจะเห็นความเห็นกระแสแห่งจิตเนี่ยมันเป็นไตรในวัตถะเนี่ยเป็นสภาวะจิตชนิดใดบ้างประเภทใดบ้างสภาวะของจิตแต่ละอย่างนี่มันเป็นยังไงอาศัยวัตถุอะไรอาศัยอารมณ์อะไร เป็นไปแล้วมันลีกออกได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นทั้งปริญญาสามนะั่นแหละแล้วก็แม้กระทั่งจิตที่ที่สุดแห่งปริญญาจิตที่บรรลุมรรคผลแล้วด้วยเนี่ยนะจนถึงอรหัตตะมรรคจิตอรหัตตผลและจิตจนถึงจุติดจิตของพระอรหันตนะ์นั่นแหะเพรนธรรมะกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยก็แค่ทําความเข้าใจตามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะคือคืออย่างแค่เรารู้ว่า รู้ว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเพราะคําพูดธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่ฐานล้วนๆเลยนะธรรมะประเภทธรรมะที่ฐานล้วนๆเห็นไหมอัติสัมพิทาเนี่ยมีอะไรที่เป็นปุกคลาที่ฐานไหมมีคําว่าสัพเพสตาหาถิติกาเนี่ยตรงนั้นแหละที่เป็นปุคขลาที่ฐานที่เหลือเป็นธรรมะล้วนๆเลยนะเหมนใครที่แข่งคัดจะเอาแต่ตัวธรรมะล้วนๆเอาแต่สภาวะล้วนๆก็เรียนอย่างเงี้ยไม่ผิดหวัง เดี๋ยวส่วนไออาวัชนะเป็นต้นเนี่ยได้ค่อยต่อยอีกครั้งหนึ่งเนาะพักก่อน